ยังหยาบอยู่นะอะว่าไงสามคนน่ะเป็เหรือว่าไงเข้าใจไ้ยเนี่ยเป็นยังไงเข้าใจพูดมาดเิีอ้อ๋อเราเขาใจว่าเราอ่านเออเออคือแบเราอ่านอินสันสาหนหมดแต่เรารู้วันแทรกราเเฉยๆรู้ออกเปล่าราเเียวเฉียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรอือคือเรารอามณ์าคือสานานหลดเลยอืมแต่ให้รู้อรรู้ซืออือออซื้อออใอย่างั้นแหละจะต้องอ่านอะไรลายอ่านอะไรออะไรทุกหลาอือฐานห้าคือหลดเลยอะค่ะใช่ายถูกต้องค่ะก็หลุหลุห่แล้วค่ะเอออย่างนั้นแหละ โยมคิดเรื่องไม่เที่ยงเป็นหลักหลวงตาว่มีอะไรเกิดขึ้นโยมก็ว่าเออมันไม่เที่ยงธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองแต่บางครั้งที่ที่หลงไปก็เหมือนเหมือนที่เรารถไฟวิ่งด้วยความเร็วบางทีแล้ก็ก็โดดขึ้นไปอ่แต่ก็รู้ตัวหลวงตา ไอ้ที่กระโดดขึ้นไปได้มันมันเป็นตัวมันไม่ใช่ใจนะที่กระโดดขึ้นไปได้แล้วกระโดดลงมาได้มันจะเป็นแค่ตัวสังขารปรุงแต่งมันจะเป็นขันห้าอยู่เออมันเป็นแค่สติในขันห้าสติตามาที่ปัญญาในขันห้าที่มาช่วยตัวเราว่าเราหลงไปแล้วเนี่ยเราหลงไปแล้วเหมือนลงติดรถไฟความคิดไปจะมีอารมณ์แล้วเนี่ยเราก็กระโดดลงมาไอ้ที่กระโดดลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เรารู้ตัวอย่างที่โยมนี่เข้าใจอะโยมอะไรนะเออ อยอมเล็กที่ยอมเล็กเข้าใจแล้วว่าเนี่ยมันเนี่ยถ้าเรารู้แล้วมันจะไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะใจมันไปมีอารมณ์ร่วมอะไรไม่ได้ถ้าเรารู้แล้วมันจะไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรอ่ะ <_ s 2> <ค> <registry> มันไปบังคับอย่างนั้นไม่ได้ใจอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่ไปมีอารมณ์ร่วมได้แล้วรู้ท่าทานแล้วก็อารมณ์ร่วมก็หลุดออกมาได้อันนั้นเป็นตัตวปรุงแต่งหมดยังเป็นขันห้าไอที่รู้ท่าทานเนี่ยยังเป็นสติยังเป็นแค่สติสมาธิปัญญาในขันห้า มันยังไม่ได้เป็นใจเพราะว่าใจามันไปมีอารมณ์ร่วมอะไรไม่ได้แล้วไปรู้ทนทานมันออกมาไม่ได้ไม่ใช่นั้นถ้าเราเข้าใจเอาใจสามารถไปบังคับให้มันไม่ไม่มีอารมณ์ร่วมได้เราจะสะกดจิตให้นิ่งเฉยตัวเนี้เนี่ยจะมีปัญหามากเราจะพยายามทําให้ไปรู้อะไรไม่มีอาการมันจะเ อ, อ๋ไปลกเอ๋อมันอันนี้ผิดผิดผิดเราจะไปแปลอุเบกขาผิดแล้วจะทําให้ไปรับรู้อะไรไม่มีอาการเลยถ้าเราแปลแบบนี้ น, นั่นแหละไอ้ตัวอะไรที่มันไปไปรับรู้อะ ไปรับรู้อะไรแล้วมันมีอาการติดไปได้อะไรไปได้มันก็รู้แต่เป็นเรื่องของตัวปรุงแต่งหมดแล้วก็อ <mani. S 2> าศัยสติสมาธิปัญญาในขันห้าคือก็ทําความรู้ส <Moscow> ึกตัวขึ้นมาไอ้ความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่ใช่ใจมันเป็นสติสมาธิปัญญาในขันห้าที่มันหลงไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ใจอมันก็ได้ใจว่ารู้ว่าเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวอยู่ไอ้ขันห้ามันมีความรู้สึกตัวอยู่แต่ความรู้สึกตัวไม่ใช่ใจใจเนี่ยมันหลงไปไม่ได้หลงไปกลับอะไรไม่ได้แล้วรู้สึกตัวไม่ได้ แต่อัที่มันหลงไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นสติในขันห้าแต่อัที่รู้วันตอนนี้ยมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวอยู่อันนี้ไอ้ที่รู้เนี่ยเป็นใจใจเนี่ยไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีแตกไม่ทาลายไม่มีอาการไม่มีอาการรู้สึกตัวไม่มีอาการหลงแต่อาการที่หลงแล้วหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมามันเป็นขันห้าเป็นสติสมาธิปัญญาในขันห้าไม่ใช่ว่าเราพยายามไปฝึกพยายามทําให้ใจเนี่ยไม่กระเพื่อไม่ไหวไหว อันเนี้ยไม่ใช่ใจเพราะว่าใจอันนี้สามารถไปแทรกแซงไปปรุงแต่งได้ให้มันพยายามให้มันไม่กระเพื่อมดังนั้นเวลาเราอยู่ทุกขณะปัจจุบันจึงถามว่าเวลาไม่ได้มีการกระทบเรื่องอะไรทําให้ไม่สบายใจเวลาพวกโยมอยู่กันในโรงครัวเนี่ยอยู่อย่างไรเวลาไม่ได้มีอะไรกระทบให้ไม่สบายใจอยู่อย่างไรก็ไม่รู้อันเนี้ยไม่รู้อยู่อย่างไร คือไม่ได้อยู่กับใจของตัวเองที่มันไม่กระเพื่อไม่ไหวตัวได้แต่ถ้าไม่รู้ไม่รู้ใจไม่รู้ว่าอันไหนเป็นปรุงแต่งใจไม่ปรุงแต่งไม่รู้ตรงนี้มันก็จะปรุงแต่งไปทั้งวันโดยไม่รู้เรื่องเลยแต่เนี้ยแต่เราบอกว่าอยู่กับรู้แต่ที่จริงไม่ได้อยู่กับรู้ก็ปรุงแต่งไปเรื่อยเพราะไม่มีเรื่องอะไรกระทบกันคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยทําอะไรก็ทําไปเรื่อยเปื่อยทํากับข้าวทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่ได้เห็นว่าใจอ่ะ มันไม่ปรากฏตัวใจได้แต่รู้ว่าร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรมีเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างไรแต่ใจเนี่ยมันไม่ใช่ขันห้าไม่ใช่ตัวเคลื่อนไหวไม่ใช่ร่างกายจิตใจเราที่เคลื่อนไหวแต่ใจเนี่ยมันอยู่นอกขันห้ามันไม่ใช่ขันห้าไม่ใช่ไม่ตัวไม่ใช่ตัวร่างกายจิตใจของเรามันได้แต่รู้ความเคลื่อนไหวนั้นไอ้ตัวที่หลงไปได้เนี่ยเป็นตัวขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เอ้ก็เป็นตัวขันห้า แต่เป็นตัวสติสมาธิปัญญาในขันห้าช่วยตัวเองให้ไม่หลงไปให้รู้สึกตัวขึ้นมาแต่มันรู้สึกตัวแล้วเมื่รู้สึกตัวเนี่ยใจอมันไม่เช๊ขันห้ามันก็รู้ไอ้ขันห้าเนี่ยรู้สึกตัวแล้วในตัวที่รู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใจใจเนี่ยมันมีอาการใดๆไม่ได้มันได้แต่รู้ว่าไอ้ขันห้ามีอาการอะไรบ้างคิดนึกงตัอนปรุงแต่งอะไรบ้างดังนั้นนที่พยายามจะเน้นที่บอกว่าแล้วเมื่ออยู่ปัจจุบันไม่มีเรื่องอะไรกระทบใจอะไรที่มันจะใบใจแต่เอยู่กับอะไรมันต้องอยู่กับรู้รู้อะไรอ่ะ รู้ขันห้าที่มันมีความรู้สึกมันคิดตึกตองพุงแต่งตลอดเวลาที่มันไหวไหวไหวไหวแต่ใจไม่ไหวไม่ปรากฏตัวใจไหวแต่จิตเนี่ยไหวไหวไหวไหวทุกขณะจิตจะเข้าใจไหมอย่างเงี้ยอ่ะสมว่าไงอ่ะพอเข้าใจแต่อธิบายเข้าใกอธิบายได้ะ ถ้าเข้าใจมันก็ต้องอธิบายออกมาจากใจได้เหะอเข้าใจว่าก็รู้อยู่ตาทำอะไรก็รู้อ่ะพยายามแบบว่าให้มีสติเนี่ยค่ะแต่บางครั้งมันก็ตื่อ คุณสมไม่เข้าใจวะยังไม่ทันใจเนียให้เป็นใจแล้วทาไมอบังคะมันกระตือบังคับมันก็โล่งอะไรใจมันตื้อมันโล่งได้ป่ะล่ะไอ้ที่ไอ้ที่มันตื้อมันเป็นอะไรมันเป็นใจหรือมันเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งมันจเดือแท้หรือว่ามันเป็นขันห้าล่ะอาการที่มันตื้อได้โล่งได้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นขันห้าค่ะเออแล้วใจมันมีหน้าที่เหมือนกระจกเงาใสอ่ะมันทําหน้าที่อะไรกระจกเงาใส หน้าที่รู้ค่ะเออมันรู้แล้วไอ้กระจกเอาใจมันเหมือนกระจกเงาใสมันตื้อได้ไหมได้เออทำไมงั้นอ่ะใจเนี่ยมันทาหน้าที่เหมือนกระจกเงาใสอ่ะแต่มันเป็นเป็นใจที่มันเหมือนกระจกเงาใสเฉยแต่ใจตัวใจมันไม่มีมันเป็นความว่างเปล่าแต่มันทาหน้าที่เหมือนกระจกเงาใสเน่คือมันรู้หมดเลยว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดติดตามปรุงแต่งไงใจสบายไม่สบาย ร่างกายเคลื่อนไหวยังไง ร, รู้หมดเลยเราหายใจยังไงอ่ะรู้หมดเลยหายใจเข้าหายใจออกไงก็รู้หมดมีสบายกายไม่สบายกายสบายใจไม่สบายใจรู้หมดแหละมีความคิดนึกตำพงแต่งอะไรไหวไหวไหวมันรู้หมดเลยแต่ใจเนี่ยหรือกระจกเงาใสเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวได้ด้วยไม่ใช่ว่าไอ้กระจกเงาใสเนี่ยเดี๋ยวมันตืเดี๋ยวมันโลงอีกและวเดี๋ยวมันไปมันก็เพื่อมอีกและ เรพยายามจะพยายามทาให้มันไม่กระเพื่อมไปปรุงแต่งไปแทรกแซงได้เราต้องมานึกถึงไอ้กระจกเอาใสอ่ะมันทําแบบนี้ได้ไหมมันปรุงแต่งมันแทรกแซงมันไปช่วยเหลืออะไรได้ไหม mm hmm. กระจกเอาใสมันทําหน้าที่อะไรนะแน่ๆคือใจอา้าเข้าใจยังไงผสมเอา้าอธิบายสิเข้าใจค่ะเอ้าเข้าใจยังไงอ่ะอธิบายถ้าเข้าใจจริงก็อธิบายได้ อยากเป็นคนไหนใจเนี่ยใจของหนังแค่ก็ไม่เข้ า, จ า, จาขใจยังไงอาเรียบเดียวมันจากใจทีอ่อ้าวใจก็เวลาอยู่ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยทุกขณะปัจจุบันมันไม่มีเรื่องอะไรมากระทบใจให้ไปสบายใจอยู่ยังไงก็อยู่อยู่กับรู้ระหลวงตาเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปมันเกิดขึ้นมามันก็ออกไปมันก็ไม่ค้างคางหลวงตา ไม่ใช่บุญสมมายังขายังยังเหมือนเดิมเลยพูดเหมือนเดิมเลยว่าเข้าใจแต่พูดเหมือนเดิมได้เลยบุญสมเข้าใจเรื่องว่าใจกับกระจกเป็นเป็นเหมือนกระจกเงาใสไหมเข้าใจค่ะเป็นไงอ่ะกระจกเงาใสหมายถึงว่าแล้วก็เห็นกระจกแล้วก็เห็นเงาแต่ก็ไม่ยึดนะคะ ไม่ใช่เหรอคะมันเป็นยังไงกระจกงเงาใสมันทำหนา้าที่ได้แต่อะไรได้แต่เห็นเฉยๆแค่ค่ะ เ, เออก็นั่นเด็แล้วมันจะยึดไม่ยึดอะไรแล้วเวลาทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันมีอาการอะไรในใจชุช้ๆๆๆๆๆอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรเห็ น, นไหมรู้ไหม กระจกมันต้องรู้ไหมเห็นค่ะเพราะมันคิดเอาเป็นใจได้นะเอาแต่เบลเหลือพูดถูกแล้วเบลเหลือเนี่ยเบลเหลือนี่เบเหลือนี่พูดชัดเจนมากถูกต้องเอาโยมเป้าหมายเอาคุยจีที่ไป็นไงเข้าใจไงอะที่ฟังเนี่ย เข้าใจยังไงและทุกขณะปฏิวันปฏิบัติอย่างไรก็สิ่งที่ที่มันจุกจิกจุกจิกเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยค่ะมันเป็นขันธ์ห้ามันปรุงแต่งตลอดเวลาใจอย่างเดียวที่รู้อยู่ใจอย่างเดียวรู้รู้อย่างเดียวว่าแต่ไม่ได้ไม่แสดงอาการเหมือนเป็นกระจกเงาที่ว่ามองมามองรู้อย่างเดียว แต่ไม่ไม่ไม่ได้เอาไม่ได้ออกมาคิดปรุงแต่งหรืออะไรอย่างนั้นนะคะนั่นในปัจจุบันเนี่ยเวลาไม่มีอะไรมากระทบเราต้องรู้ทุกคิดรู้ทุกคิดไม่ติดไปคิดอย่างไรคิดอะไรได้แต่รู้มันมีกิริยาการยังไงจิตมีกิริยาการไงจิกจิกจิกจิกยังไงก็ได้แต่รู้ใจอะรู้ทําหน้าที่รู้คล้ายๆกับกระจกเงาใสอะเนี่ยแต่ปไม่มีอะเป็นใจที่ไม่มีตัวกระจก ไม่มีตัวใจแต่ก็เวลารู้ก็ทําหน้าที่รู้รู้อะไรก็รู้ร่างกาจิตใจของเราเนี่ยทุกความคิดรู้ทุกคิดรู้ทุกคิดทุกขณะปัจจุบันรู้ทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นอย่างไรได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจอยู่ที่รู้อยู่กับรู้ที่เป็นให้อยู่กับกระจกให้เป็นกระจกเงาใสใจเปรียบทําหน้าที่เหมือนกระจกเงาใสอยู่ตลอดเวลาให้เป็นรู้เป็นรู้อย่าไปเป็นคิดอย่าพยายามไปช่วยเหลือ ถ้าพยายามเป็นพยายามจะช่วยเหลือใจอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาพยายามไปช่วยใจไม่ให้กระเพื่มพยายามจะไปช่วยใจมีลักษณะให้มันนิ่งๆเฉยๆพยายามจะช่วยใจเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไอการที่พยายามไปช่วยมันไม่ใช่กระจกแล้วเพราะว่ากระจกมันได้แต่รู้มันช่วยอะไรไม่ได้เข้าใจไหมล่ะมันเข้าไปแทรกแซงเข้าไปช่วยเข้าไปอะไรไม่ได้เข้าไปพยายามจะไปห้ามไม่ให้มันกระเพื่อมอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดน่ย มันเข้าไปยึดอะไรก็ไม่ได้ไอ้ที่มันไปยึดแล้วมันก็รู้ต่อฐานแล้วปล่อยวางมาอันนี้เป็นสังขารเอ้มันเป็นสิ่งปรุงแต่งมันเป็นมันเป็นสติสมาธิปัญญาในขันธะที่มันหลงไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอันเนี้มันเป็นสติสมาธิปัญญาในขันธะแต่ใจเนี่ยมันที่มันทำหน้าที่เหมือนกระจกเอาใส่มันก็รู้ว่าเนี่ยไอขันธะมันรู้สึกตัวอยู่มันไม่ได้หลงออ่าพูดทำไมเนี่ะ เหมือนเหมือนกระจกเนี่ยมันมีหน้าที่แค่สะท้อนภาพออกมาว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมันมีอะไรมันคืออะไรแต่มันไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปแทรกแซงที่จะอ่าให้ให้พู้ไม่ถูกมันไม่ไม่ไม่มีหน้าที่ที่จะไปแทรกแซงว่าอ่าเราจะต้องไปชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่กระจกสะท้อนออกมาอืม ไปปฏิบัติอันเป็นใจนะอันเป็นใจเหมือนกระจกแลนะไปจะไปรู้ไปหมดเลยแล้วก็ปูงซ่านคิดทั้งวันเลยเนี่ยกลายเป็นคนอยู่หน้ากระจกทั้งวันเลยเนี่ยไม่ได้เป็นกระจกเลยมันใช่หรือเปล่าหลวงตาแบบว่ารู้รู้รู้ทั้งวันแบบรู้ทุกคิดคิดจะทําอะไรก็รู้คิดจะกินก็รู้คิดจะทํำไหมนี่นก็รู้แบบว่าคิดเหมือนเราคิดจะทํางานอะไรก็รู้อย่างเงี้ยใช่ไหมหลวงตา เกิดว่าตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําแปลงฟันทําอะไรรู้ทุกอิเลเยบทนี่ไม่ใช่ไหยคะเออเป็นรู้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่มันว่าแล้วที่ออตีเราอยู่เฉยเนี่ยไอเราคิดจะกินอะไรคิดจะพูดคิดจะทำอะไรมันก็มันก็รู้อยู่แล้วล่ะอันนั้นแหล<น>ะหแต่อัที่มันไม่ได้คิดจะไปทําอะไรมันอยู่เฉยเนี่ยก็จะรู้อะไรตอนเนี้ยไม่คิดจะกินอะไรไม่คิดจะพูดมันไปคิดไปทําอะไร แล้วอยุ่เฉยอยู่กับอะไรมันก็ไม่เฉยแล้วหลวงตามันก็คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยแหละใจเอ่ะมันก็ไม่เฉยมันก็คิดทั้งวันอ่ะเออแล้วเราอยู่กับอะไรล่ะก็รู้ค่ะอยู่กับอะไรอยู่ก็รู้ค่ะรู้รู้ว่าอันนี้เกิดขึ้นก็รู้อ่ะว่ามันเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็รู้ค่ะออแต่ถ้าเราเนี่ยไปคิดเป็นเรื่องเป็นลาว คิดถึงคนนั้นคนนี้อันนี้มันเป็นหลงไปแล้วมันไม่ใช่เป็นรู้ค่ะถ้าคิดเป็นเรื่องขึ้นมาคิดเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงอดีตถึงอนาคตไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นหลงไปแล้วต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาในขันห้ารู้สึกตัวขึ้นมาคอันนี้มันเป็นหลงมันหลงไปแล้วถ้าคิดเป็นเรื่องแต่ต้องเวลามันหลงไปแล้วก็ต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาในขันห้าเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมา ไอ้ที่รู้สึกตัวขึ้นมาก็คือใช้ขันห้าใช้ตัวสังขาร น, น่ะใช้ตัวปรุงแต่งหรือสติสมาธิปัญญาในขันหน้าช่วยเหลือตัวเองอะให้ไม่หลง <Okay. S 2> แต่เวลาไม่หลงเนี่ยไม่หลงแล้วเนี่ยที่ไม่หลงคิดอะไรเมื่อเพลินหลงคิดปรุงแต่งไปเนี่ยหลวงตาอยากจะรู้ว่าอยู่กับอะไรปฏิบัติอย่างไรเมื่อไม่หลงไปแล้วเมื่อไม่หลงอยู่คนเดียวเฉยๆไม่ไไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะ oh, อยู่กับ <okay. S 2> อะไร ก็อยู่ก็รู้นะค่ะแบบว่าถ้าว่างปุ๊บตอนนี้โยมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยตรงออกไปคิดถึงใครไม่คิดถึงเรื่องห้องนอกตัวค่ะคิดแต่ปัจจุบันเรื่องทำงานพอว่างปุ๊บก็รู้ว่าต้องปฏิบัติต้องต้องพุทโธต้องทำอย่างโน้นแบบว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปเงี้ยพอทามันนี่เสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่ออะไรอย่างงี้ะคะ่ะไม่ใช่แล้วบนสม ไอ้นี่มันยังหยาบอยู่คถึงไล่ที่มาอยู่นี่ไงไอ้อย่างนี้มันวางแผนในหัวมันตั้งใจคิดตลอดจะทํารุ่นจะทํานี่จะทํานั่นจะทํานี่อย่างนี้ไม่ใช่ลูกตาบอกว่าเมื่อไม่คิดจะไปทําอะไรอ่ะทั้งไม่คิดจะจะไปทําอะไรทั้งนั้นเนี่ยแล้วอยู่อย่างไงเวลาอยู่เฉยอ่ะไม่คิดไม่อไม่ตั้งใจจะคิดจะทำํำโน่น จ, จะทํานี่คิดจะทำโนันนี่น ม, จจนนมันตั้งใจคิดตลอด เราต้องเว้นขาดจากการตั้งใจจะคิดไปทำนูน่นจะทำนี่จะอยู่อย่างไรก็อยู่อยู่เฉยๆอย่างเรา อ, อยู่กับสติใช่ไหะอยู่กับเฉยๆอยู่ยังไงแบบว่าก็มีสติแบบว่าไม่ไปทำอะไรแบบว่าที่มันที่แบบว่าผิดผิดธรรมชาติอะไรอ่นี้ะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่ละเอียดไม่พอ ละเอียดไม่พอเนี่ยปาบาะไยก็แบบเดียวกันเนี่ยทั้งหมดแหละเหมือนกันน่ยตอนนี้ ย, ยังละเอียดไม่พอพนทุกไม่ได้เนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงใจที่ไม่เคลื่อนไหวเวลาเรานั่งอยู่เฉยเนี่ยหรือว่าเราแม้แต่เรา แต่ถ้าเราไปทำไปไปรู้ตอนที่เราซักผ้าทํานู่นทนํานี่เราก็จะไม่สามารถรู้อะไอย่างเงี้มันใจมันก็จะคิดไปทํางานตลอดทั้งวันตอนที่เรานั่งอยู่ยเฉยๆเราไม่ทําอะไรในใจของเราเนี่ยมันจะต้องมีอาการนะสละพัดจะมีอาการตุ๊กตุ๊กตุกตุกตตลอดเวลานนเนะโดยที่ว่าเราไม่มีเจตนาจะตั้งใจที่จะคิดไปทําอะไร แต่แม้แต่เราไม่ตั้งใจอ่ะหรือไม่มีเจตนาที่จะคิดจะไปทําอะไรแต่ในใจเนี่ยมันก็มีอาการจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กขึ้นมาของมันเองแล้วรู้เนี่ยมันก็เห็นเลยว่ามันรู้ของมันมาเองรู้อาการจุ๊กจิ๊กจุ๊กจกจุกจิ๊กมันรู้คู่กันจิตก็แสดงอาการจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใจก็แสดงอาการรู้ขึ้นมาขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจรู้ไม่ได้เจตนารู้ไม่พยายามรู้ไม่ได้จงใจรู้มันนนนนรู้ขขอออองงงงมมมมัััาเเคค่ะจิิตก็ด มันจุกๆิกจุกคกจุกคิ่ใว่าเราก็รู้ตัวว่าเราจะตั้งใจจะไปทำโน้ตไปทําเนี่ยอันนี้มันยังหยาบอยู่ไม่ใช่อ๋อค่ะอนี้เข้าใจไหมเนี่ยเอ้าไหนที่เข้าใจไงเอ้าเข้าใจไม่เข้าใจไงที่ต้องตาพูดเนี่ยเข้าใจว่าอะไรมันคิดมายุกยิกยุกยิกก็รู้ในใจแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็รู้ค่ะอืมอืม แบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องแล้วแล้วมันเหมือนไหมกับที่ที่บุญสมพูดตอนแรกอ่ะไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนอยังไงไหนบอกดิ <c oughs> ไม่เหมือนในตอนแรกนตอนแรกมันคิดแบบว่าตั้งใจรู้ค่ะตั้งใจคิดที่จะให้รู้แบบนี้ค่ะ <c oughs> มันไม่ได้รู้แบบว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเองนี้ค่ะอื <c oughs> อ้าวพอใจไมเดี๋ยวว่า อ, อะไรสิอืมพอใจไหมเลยเนี่ยไหนพูดออกมาจากใจสิเอา้าใจค่ะยังไงอ่ะจะดูที่ว่า ก, ก่อนมาก่อนเมื่อกี้เนี่ยกับตอนเนี้ยดูที่ว่ามัานต่างกันยังไงเออรู้รู้ว่าเอ่อมันคิดคิดคิดคิดคิ ด, คดจุ๊กคิดไปคิด อย่างนี้นะคะคิดคิดคิดคิดอยู่เราก็รู้อยู่ว่าคิดคิดใจก็รู้ใจก็ก็ทําหน้าที่ของใจก็รับรู้อยู่เฉยๆตรงไปตรงมาคือว่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมันเป็นสังขารปรุงแต่งเหมือนเหมือนที่ว่าเป็นกระจกเงาเนะี่ยมองมองไม่ ดูไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งที่มันพูดจุกจิ๊กจุ๊กจิกออกมาเนี่ยรู้จักใจเท่านั้นแล้วเข้าใจไหมที่บอกเวลาเราไม่ไปทําอะไรอ่ะอยู่เฉยเนี่ยเข้าใจค่ะเป็นยังไงไม่ไปทําอะไรแล้วเราไม่มีตั้งใจจะไปคิดอะไรด้วยคิดว่าจะไปทำโน่นทเนี่ยอยู่เฉยแล้วอยู่ยังไง ที่ไม่ตั้งใจจะไปคิดทำโน่นทํานี่ยอยู่เฉยเวลาอยู่เฉยจะอยู่ยังไงก็อยู่กับรู้นะค่ะรู้อย่างไง ร, รู้มีสติ ว, ว่าเราไม่ได้เอาไปไม่ได้คิดโน่นคิดนี่คิดนั่นคิดก็รู้อยู่ตลอดเวลาคิดตรงไปตรงมาว่าอันนี้มันเป็นปรุงแต่งนะอนิดมันเป็นสังขาร อันเนี้ยโยมป้าว่าไหลพูดเปลักษาะการหลงคิดไปหลงคิดไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่าอันนี้มันหลงคิดไปเป็นสังขารอันเนี้ยหลงคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดนั้นคิดนี่อันเนี้ยคิดเป็นเรื่องเป็นราวอันเนี้ยมันหลงไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอันเนี้ยมันยังไม่เป็นรู้ตามธรรมชาติอันเนี้ยมันหลงไปแล้วอาศัยสติสมาธิปัญญาในขันธ์หน้ามาช่วยทําให้มันหายหลง ให้รู้สึกตัวขึ้นมามันยังไม่ใช่เป็นรู้ธรรมชาตินะเนี่ยแล้วก็เราจะกระทั่งเราอ่านป่านใจเราออกว่ามันตอนเนี้ไม่ได้หลงไปกับอะไรเพไม่หลงไปกับอะไรแล้วก็ก็ไม่ได้ก็ไม่พยายามไปตั้งใจคิดตั้งจงใจคิดพยายามคิดมีเจตนาจะคิดปรุงแต่งเรื่องจะไปทําน่ทนทํานี่อยู่เฉยเฉยโดยที่ไม่ได้คิดจะไปทําโดยจะไม่คิดปรุงแต่งจะไปทําน่ทนทํานี่ไม่ได้คิดจะไปทําอะไรอยู่เฉยเฉยจริงๆ แต่เมื่อเราอยู่เฉยๆเนี่ยจิตมันไม่เฉยหรอกข้างในเนี่ยมันไม่ได้หลงคิดนะแต่มันมีอาการจุกๆุ๊กจุ๊กุ๊กตลอดเวลาแล้วรู้เนี่ยมันก็รู้ขึ้นมาเองโดยเที่ยวเราไม่มีเจตนาจะไปรู้ไม่ตรงใจรู้ไม่ตั้งใจรู้ไม่พยายามรู้มันรู้กันขึ้นมาเองโดยเราเนี่ยทั้งไม่ตั้งใจคิดแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจรู้แต่ทั้งคิดทั้งรู้เนี่ยมันรู้กันขึ้นมาเองโยมป้ามาลายยังเข้าไม่ถึงตรงนี้ยังไม่เข้าใจที่โยมป้ามาลายพูดน่ยเป็นลักษณะของการหลงคิด แล้ก็บอกว่ามันคิดเนี่ยมันก็นเป็นสังขารเราคิดไปก็เป็นสังขารเอาเดี๋ยวใหม่ลงคิดนูนคิดนี่อีกแล้วหลงคิดไปก็เป็นสังขารเดี๋ยวก็หลงคิดตั้งคิดอีกแล้วนั่ น, น, นงหนน ง, ง <Star> ใช่ไหมเป็ น, น, น<ม>อยู่ในขั้นตอนนี้ใช่ไหมรู้ว่าเป็นหลงอะ<า>รู้ว่าเป็นหลงเออค่ะแล้วไม่หลงแล้วรู้สึกตัวรู้อยู่ไหมรู้อยู่ค่ะอ้าวแล้วพอพอรู้สึกตัวแล้วเป็นยังไง รู้อยู่ว่ารู้สึกตัวแล้วแล้วเป็นยังไง ร, รู้สึกตัวแล้วบอะไ ร, ระก็กับเขามามีความคิดจุกจิ๊กจุกจ๊ก็รู้มันใจลรวรู้ว่ามันเป็นปรุงแต่งเป็นจิตปุงแต่ง แล้วมันมีมันมีตัวใจัหมล่ะปรากฏใจไหมล่ะใจมีใจอยู่เป็นยังไงล่ะที่ว่ามีคือคือใจเนี่ยเพียงใจเนี่ยรู้ว่าเขาพูดโน่นพูดนี่พูดตงปรุงแต่งตลอดเวลายอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใจเราก็รับรู้ อืมรับรู้เฉยๆ ม, มันเป็นธรรมชาติไม่ปรงแต่ง